ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงพระพุทธญาณกำลังนำเสนอสังโยชนิตประการที่พระญาบุคคลละได้มาตามลำดับวันก่อนได้พูดถึงกิเลสประเภทโลภหรือราาักะที่ชื่อในสังโยชนเรียกว่าการมราคะคือความกำหนัดเรื่มนาาความใคร่ในสิ่งที่ใจคนไปกำหนดว่ามันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ในเราทรงแสดงในรูปบาลีนทรงใช้คำว่าอิฐากันดามนาปาจะแป ล, แปละว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจก็เป็นอาการทางจิตอย่างเดียวกันหมายความมาปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่ อ, เ, อเป็นว่าครอบครองเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวเองอะการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าปฏิฆะ รอยจะแปลว่าการกระทบกระทั่งความหงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจก็สรุปว่าเป็นกิเลสประเภทโทสะเย็แต่ว่ามาถึงตรงนี้กิเลสมันละเอียดลงการก็ใช้คำเช่นใหม่เพื่อเห็นว่ามันความเข้มข้นมันต่ำกว่าจึงเรียกว่าเป็นปฏิฆะบางครั้งก็เรียกว่าอารติ แต่ว่าในชื่อของสังโยชน์นั้นจะหนักไปในทางปฏิฆะคือใช้ปฏิฆะลักษณะของโทสะก็คือความโกรธความไม่ปวดใจความไม่ยินดีความไม่ต้องการเป็นกินเลสเป็นความรู้สึกประเภทผักออกอาไๆ ข, ของอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบแล้วก็คนพยายามให้เราหรือแม้แต่ยัดเยียดให้เราเนี่ยเราจะปฏิเสธ แต่พอเขามายัดเยียดให้เนี่ยเราจะเกิดโทสะถึงหากแรงๆเนี่ยอาจจะไปประทุษร้ายต่อคนหรือว่าทุบทำลายสิ่งของนั้นก็ได้แต่ตรงนี้เขาไม่ได้สังโยชน์แล้วมันเป็นทุจริตทางกายทางวจจาไปแล้วเพราะลักษณะของกิเลสประเภทโทสะเนี่ยท่านบอกว่ามีความรุร้ายเป็นลนักษณะอย่างน้อยก็คิดได้พอใจนะในคนในสัตว์ในสิ่งที่เรากาหนดว่า ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่มันไม่แรงนะฮะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เล่าร้อนแต่ไม่รุนแรงมันไม่ถึงกับเป็นอาคาตพยาบาทเพียงแต่ว่าถ้าความคีบค้นก็สูงเนี่ยเขาอาจจะออกมาเป็นลูกของโกทะความโกโทสะความมัทุสลายนะอาคาตะความมาคาศแล้วก็ยาบาทอะไรต่ออะไ ร, ไรเนี่ย เป็นกิเลสประเภทที่ทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับถ้าดูจิตเนี่ยมันเหมือนกับ น, น้ำที่เดือดพร่านเนี่ยน้ำที่เราต้มแล้วมันกำลังเดือดพร่านถ้าเรามองลงไปเนี่ยเงาหน้าเราเนี่ยจะผิดปกติถึงสามารถสังเกตได้นะเวลาเราเกิดโทสะอะไรขึ้นมาถ้าต้องการจะฝึกปรือตัวเองสั่งสอนตัวเองก็วิ่งไปยูดนยืนดูที่กระจกก็ได้ เราเห็นว่ากิเลสประเภทโทสะแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้คือมีอาการดุร้ายหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วก็ใจเนี่ยจะไม่สงบจะราคาญจะหงุดหงิดจะไม่พอใจจะกระสับกระส่ายอาการกระสับกระส่ายด้วยโทสะเนี่ยเ ร, เราสังเกตเราเราไม่พอใจเนี่ยนั่งนิ่งไม่ได้แต่ถ้าพอใจเรานั่งนิ่งได้ พอเกิดไม่ไม่พอใจจะไม่นิ่งเนระาจะสังเกตสภาพจิตของเราเวลาขณะเรารับประทานอาหารอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราพอใจแล้วรับประทานเฉยเลยแตบนโต๊ะเกิดไม่พอใจไม่มีอาหารอะไรที่เราพอใจจะถูกปากอาจจะรับประทานไปแกนแกนหรือถ้ามากแล้วก็คือไม่รับประทานเลย อาจจะเรียกหาอย่างอื่นหรืออาจจะลุกขึ้นแล้วก็ไปรับประทานาธิบดีแต่ถ้าอย่างนั้นก็มากไปหน่อยนะครเพราะลักษณะของความรู้สึกเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเพราะว่าทำให้เรากระสับกระส่ายเนี่ยมันก็เผาหล่นใจอาการเผาหล่นใจท่านจึงบอกว่าเมื่องหมือนก็คนที่ถูกโรคภัยคข้เจ็บเบียดเบียน แล้วเราก็ปวดเราก็เมื่อยเราก็เจ็บเราก็ทรมานก็เราคนเดียวนะฮะคือใครจะแบ่งเบาอะไรให้แกเราไม่ได้จิตใจที่ถูกโทสะเข้าครอบงาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มีการประทุสรา้ายเป็นผลปรกลากฏอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นสีหน้าท่าทาง น, นะฮะกิริยาอาการสีหน้าท่าทางคนบางคนโกรธจนตัวสัน่นบางคนโกรธจนเป็นปืนหมดทั้งตัวเลย บางคนโกรธจนหน้าแดงบางคนโกรธจนพูดไม่ออกอะไรก็แล้วแต่คือสรุปว่ามันจะมีออกออกมาแล้วทีนจะถามว่าทําไมจึงเกิดเกิดความคิดอย่างนั้นให้เราลองสังเกตว่าเป็นอาการเก็บกดของความคิดที่เราไปกําหนดขึ้นมาเองแทนที่จะเลิกแล้วต่อกันเนี่ยไม่ยอมเลิกแล้วต่อกันเพราะนัตติมบอกว่ามันมีอาคารตะวัตถุสิธิประการนะฮะเป็นเหตุกายให้เกิด อาคาตรตัววัตถูแปดั้นลืมไปก็อาจจะงงถึงเรื่องอดีตว่าคนคนนี้เคยประทุษร้ายเรามาแต่ก่อนหรือคนคนนี้เคยประทุษร้ายต่อญาติพี่น้องของเร า, เาคนคนนี้กาลังรรมเคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนซึ่งเราไม่ชอบ เราลองลรูะะ้อาการนะฮะอาการเช่นสมมุติว่าพ่อแม่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกไปเล่นกับที่บ้านของคนที่เราทะเลาะเนี่ยจะโกรธลูกด้วยสถานการความโกรธที่เกิดจากความโกรธใจมนุษย์เนี่ยมันวุ่นวายนะหาเรื่องใส่ตัวเองน่าดูเลยถ้าเราศึกษาไปรู้จักไปตามจิตไปมองดูจิตเราจะเห็นว่าจิตมันวุ่นมันไม่ยอมสงบไม่ยอมนิ่งมันเรื่องอะไรกันนักหนาแล้วเขาทาความดี ส่วนตัวของเขาเพียงแต่ว่าไปทําความดีกับคนที่เราไม่ชอบตอนนั้นเองเราไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่รู้นะเราก็ไปหาเรื่องโกรธเขาจนได้ตอนนั้นถ้าเรามองอาการกิเลสเนี่ยเราใช้คำว่าหาเรื่องเนี่ยมันน่าจะชัดบางทีก็เรียกว่าแสรหรือสายแสเนี่ยบางทีก็ใช้คําหยาบมากกว่านั้นคือหมายความว่าอยืนเฉยๆก็ได้นี่ยนะ มันไม่ได้ข้าวเป็นหอกเป็นแหลนอะไรที่ใครทําอะไรเราโกรธหรือเราไม่โกรธเนี่ยมาลองสังเกตว่าคนสมมุติว่าคนไปทําอะไรไปทําอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจฮะแต่พอเรารู้ว่าใครทําในบางทีโกรธเพิ่มขึ้นบางทีโกรธลดลงนะบางทีก็ขำไปเลยมาขึ้นอยู่กับคนนั้นเรามีความรู้สึกต่อเขายังไง ตัแสดงว่าความกลัก็ดีความไม่กลัวก็ดีหรือว่าการหัวเราะ ก, ก็ดีมันเกิดขึ้นจากท่าทีใจเราไปคิดเราเองนะที่ท่านใช้คําคํำหนึ่งที่เราเห็นเนาะปรุงคิดคิดปรุงเอ่อตอกย้ําเน้นย้ําอยู่อย่างนั้นแล้วในที่สุดก็กลายเป็นการเผาหล่นใจบางทีก็ปราลบพฤติกรรมต่างๆเขาในปัจจุบัน คนนี้กําลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเขาทําจริงหรือไม่จริงไม่รู้แหละบางทีเราคิดเอานะอย่างที่บอกว่าถ้าจิตใจประน่อนแอ ม, มากกวนไหวมากนะมีผู้หญิงเ อ, อมามองสามีของเราหรือว่าสามีของเราไปมองผู้หญิงนี่เกิดโทสะแล้วเรี๋มีผู้ชายมามองปัญญาเราเราก็เกิดโทสะแล้วเห็นไหม นั่นคือแสด้งใจิตใจมันอ่อนแอมากเลยเคยตั้งข้อสังเกตมีโยมเขาโกรธเด็กเด็กหนุ่มแล้วก็มาฟ้องคืออยากจะให้ตักเตือนถามว่าเรื่องอะไรแกบอกว่าเนี่ยเด็กนี่มันมองหลานสาวเขาบอโยมรู้ได้ยังไงมันมองคือโยมต้องนึกคิดด้วยดีดีวฮะว่าคนคนหนึ่งเดินไปเนี่ยไม่มีใครมองเลยเนี่ยหมายความว่าอย่างไง มมูหมากาใครคนก็ยังมองเลยแต่ในการมองเนี่ยไม่ได้หมายความไปเรื่องเลวร้ายอะไรคนเรามาทีเดินสวนกันมันก็เห็นกันแต่ถ้าเขามองโดยความรักโดยความชื่นชมโดยความพอใจเนี่ก็แสดงว่าเรามีจุดที่ให้เขาพอใจอ่ะทําไมไปคิดเป็นในแง่ร้าย ไ, ได้ละ่ะอธิบายถามไปเรื่อยๆนะให้โยมแกได้คิดนี้เราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องเนี่ย แม่ก็มองแนละ้วทํำยังไงอ่ะมีที่วัดแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงไปฟ้องพระว่าพระมองเธอสมภารท่านหัวไวนะฮะท่านก็บอกว่าเธอก็มองพระท้าวหนูไม่ได้มองหนูไม่ได้มองพระมองหนูแต่พระสมภารท่านก็ถามว่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าพระมองก็เธอได้ว่าเธอมองเธอมองเห็นว่าพระมองก็หมายความว่าเธอก็มองพระ ด, ด้วย นี่คือบางทีเนี่ยเราไปหาเรื่องโดยไม่ได้คิดว่าเอแล้วสมมติว่าพระพมองแล้วถ้าเราไม่มองเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระพมองปัญหาเหล่านี้บางทีเนี่ยมันสแสดงอาการของโมหะแล้วมันก็เกิดโทสะก็กลายเป็นความเข้มข้นความรุนแรงที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนักหลักการในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้ดูที่จิตเรา มาดูทําไมมันคิดอย่างนั้นน่ะทาไมต้องคิดอย่างนั้นล่ะทําไมต้องคิดว่าเขาประทุษร้ายเราทําไมต้องคิดว่าเขาประทุษร้ายต่อญาติพี่น้องของเราทําไมเขาทําความดีคนอื่นทําไมเราต้องโกรธเขาแล้วมันมันมันได้อะไรแล้วมันเรื่องอะไรของเรานี่เรื่องเหล่าเนี่ยถ้าเราใช้เหตุผลค่ะสติปัญญาแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะลดไปได้เยอะเลย ที่เราไปสายหาเรื่องเอาเองเนี่ยมันมากเกิดเหตุเกินผลไปประการต่อไปนั่นก็อาจจะมองไปสู่อนาคตนะวยอาคาตวัตถุเนี่ยจะมองว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา วันก่อนนี่เคยถามพวกนักวรรณคดีจีนคือถามเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ค่าเก้าวชู่วโคดเนี่ยมันมั น, ม, นมันเขานับยังไงจีนก็มีค่าเก้าวชัวโคตรนะฮะค่าล้างสกุลเนี่ยเขาบอกว่ามันมันก็นับเจ็ดอย่างที่เรานับนี่แหละคือนับไปถึงพ่อถึงปู่ถึงทวดแต่ลงข้างล่างก็ลูกหลานเลนแต่ว่ามันไปเอา พวกครูบาอาจารย์พวกเพื่อนนะพวกพัญญาเข้าไปด้วยพัญญาไปสามีเข้าไปด้วยแล้วก็ดึงคนเหล่านั้นจากญาติของครูเพื่อนพวกครูพวกเพื่อนพวกพัญญาสามีเนี่ยถูกดึงเข้ามาด้วยเพราะการฆ่าล้างตระกูลล้งางครอบครัวในเมืองจีนสมัยก่อนเนี่ยมันค่าทีนึ่งเป็นร้อยๆบางทีก็หลายร้อยนะฮะ นั่นคือแสดงหลายแสดงว่าเราตั้งตัวเป็นศาลเองไปพิพากษาเขาเองไปตัดสินเขาเองนะคิดว่าต่อไปก็จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปก็จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราคือทําให้คิดถึงมุมมองของคนเวลาเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยธนามริกาเทวีเป็นปัญญาของท่านพันธุระเสนาบดี ที่เรียกว่าพระนางเนี่ยเพราะว่าท่านพันธุลาท่านเป็นกษัตริย์มันลักษัตริย์แต่ว่ามารับตําแหน่งเป็นเสนาบดีในเมืองพารันและในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสนีโกศลจะเป็นตัวสาหายกันพันธุราเสนาบดีมีความสามารถสูงแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักเพื่อน ทุมเทชีวิตจิตใจวิญญาณลงไปนะเพื่อทำงานสนองงานให้พระเจประเสนที่กศลแต่ว่าก็ถูกคนอมตะใกล้ชิดทั้งหลายเนี่ยแสดงความริษยาจนสร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นนะว่าหาวันจะเป็นกบฏพระเจ้าเสนที่กศนก็ไปหลงเชื่อไปเสียมคน ส, สุ่มคนเอาไว้นะแล้วก็ส่งให้ฟันดุลากับครอบครัว ลูกชายไปในราชการทัพเพื่อปราบรามาการก่อกำเริบกระตกกลางคืน น, นอนหลับมีคนพวกนี้แอบซุ่มเข้ามาฆ่าตายหมดนกับมาความต่าอื่นทางเราอื่นก็รู้กันนะฮะเป็นใจกันพระเจ้าประเสริฐที่กว่สนในระแวงระแวงว่าพระนางมาริกาเนี่ยคงจะต้องเตรียมแก้แค้นเตรียมต่อสู้ส่งคนแอบมาสอดแนม นาวนิกาก็เรียกลูกสะลูกสะ า, ายทั้งหมดเท่าไร่ล่ะสามสิบสองคนเนี่ยนะฮะท่านมีลูกสาที่สองคนลูกฝ้าแฝดน่าดูแล้วก็ชี้แจงให้ฟังบอกอย่าโทษใครอย่ากโกรธใครไม่เป็นความผิดของใครหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมของสังสารวัฏเลอจารอธิบายแง่ธรรมะเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยให้อภัยแก่พราชา ย่าได้ผูกใจเจ็บอย่าได้อาคาตพยาบาทได้คงความจงรักภักดีไว้เหมือนเดิมสั่งสอนอย่างดีนะฮะพระเจ้าปเปรตเนโสรนได้ยินเขากขาเสียพระไถยมากพที่พลาดไปเนี่ยก็เรียกพระนางมาริกามาว่าต้องการอะไรก็ขอให้บอกคือท่านจะชดใช้พระนางก็ขอล า, ากลับไปอยู่กับพระราชาชวงมัลละต่อไป นางก็มีบทบาทตอนพระเจ้าปริาพาณนะฮะก็ เ, เป็นคนที่มีบทบาทอยู่คนพระแท่นที่พระพุทธรูปปางปพริาพานก็มีรูปของพระนางมณีกาเทวีอยู่นี่เราลองสังเกตแล้วนี้คือบันดิตมันเป็นมุมมองอะ่ะเป็นมุมมองมาอยู่ที่มองอย่างไงว่าทําไมจะต้องไปคิดอย่างนั้นล่ะไปคิดอย่างนั้นแล้วมันได้อะไรอะ่ะ ในสังคมเรามีเรื่องเป็นอันมากที่ไปปลูกฝังให้ลักษณะอาฆาตพยาบาทจงเวนจองร่างจองผานจองผานการแก้แค้นเกิดโทสะเกิดอาฆาตเกิดพยาบาทแล้วเกิดปองร้ายกันนะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกันในแนวนี้เพราะปัญหาสำคัญเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่เราคิดยังไงคิดได้โกรธก็ได้คิดไม่โกรก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ความคิดของเรา นานมาแล้วหลายปีไปแล้วคืไปอบรมทหารในค่ายทหารแห่งหนึ่งก็มีทหารเป็นจ่าแนละ้วสุดเป็นจ่าก็จบไปเสร็จการสงครามที่เขาขอน่ะมันก่อนโน้นเคยเล่าให้ฟังทีมือคือพอเดินไปเนี่ยแกแก็ถามเลยพระขอถามปัญหาหน่อย เนี่ยผมไปราชการทับมาอย่างเนี้ยนะไปทำความดีความชอบต่อแผ่นดินนะอยู่ข้างหลังมียผมดีตามชู้นี่ท่านท่านจะให้ผมทำยังไงเลยก็ตกลงวันนั้นไม่ไม่ได้ยืนเหมือนแต่งพูดคือยีเดินเดินพูดแบบสอนหนังสือแล้วก็ให้คนถามแต่คนนี้เราก็ตอบว่ามันอยู่ที่คุณคิดแต่คุณจะคิดยังไงล่ะ นะคุณคิดได้คุณเป็นฆาตรกรก็ได้คุณคิดได้เป็นนายร้อยตรีก็ได้นันอยู่ที่คุณคิดแต่คุณคิดว่าเออมันก็ไปจะได้ก็ดีเหมือนกันนะีมีคนนั้นเราได้มาตั้งแต่เป็นพลทหารตอนนี้เราไปราชการทับมามีความดีความชอบเนี่ยก็ได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตรหามีใหมย่ยศใหม่ตำแหน่งใหม่เมียใหม่ก็สบายไปอย่างหนึ่ง ถ้าเธอคิดอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรปล่อยเขาไปก็ดีแล้วเนี่ยไปจะได้พอใจเขาไม่อยู่กับเราเลยจะจะไปยินดีอะไรกับเขาหนักหนาอะไรแล้วไปโกรธเขาแล้วได้อะไรไปซ้ำเติมตัวเองฮะมันเป็นการสร้างปัญหามาซ้าเติมตัวเองเฉยๆเพราะกิเลสประเภทเนี้ยจึงท่านจึงบอกว่ามันมันเหมือนยาพิษที่ซึมซาบไปในร่างกายหรือบาดแผลที่ ที่แผดเผาเนี่ยมีมีการแผดเผาที่อาศัยตนเป็นกิจเหมือนกับไฟที่ไหม้ป่าแล้วลุกลามไปเรื่อยๆ อ, อาการที่เห็นชัดเจนก็มีการประทุสรายเหตนผลที่ปรากฏตกลงว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นค่าสุดเราเองความโกรธเนี่ยจึงเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นศัตรูต่อใจตัวเองเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลาย ก็ในราคา ว, วัตถุอย่างที่ว่าไว้เนี่ยมันก็นำไปสู่การกระทําผิดที่เราเรียกว่าเป็นอกุศลกบทได้แต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันทำมันมั่วคนมั่มๆเลยสังเกตนะฮะเกยโกรธหมดเลยฮะหมาเห่าแก ก, ก, ก, กก็โกรธฝนตกแดดออกก็โกรธ แ, แดดออกแกก็โกรธแกด่าแดดแกด่าลมแกด่าฝน อย่าด่าไม้ด่าแมวด่ามั่วไปหมดเลยนะเดินไปสือดุดก้อนไม้ก็ด่าท่อนไม้โกรธกันเตะท่อนไม้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะโทสะไอ้แมงมัวหะเนี่ยมันเกิดสูงแล้วถ้าถามคนทําทะไรทํำมาทําไมก็ตอบไม่ได้อ่ะก็เจ็ดใจก็เจ็ดใจอะไรกับมันนะหรือเป็นเป็นสัตว์มันเป็นท่อนไม้มันเป็นก้อนอิดมันเป็นก้อนหินเป็นลมเป็นฝนเป็นแดดอะ เวลาคุณไม่พอใจเนี่ยมีคนก็พอใจอ่ะมันเป็นปรากฏตรงกาตการก็กธรรมชาติแกมีเหตุได้เกิดแกก็เกิดมีเหตุได้แรงแกก็แรงมีเหตุได้ฝนตกก็ตกมีเหตุได้แดดออกก็ออกเราใช้ประโยชน์จากมันเราไปโกรธมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะก็สูญเสียสุขภาพจิตไปเพราะเรื่องเหล่านี้มีเยอะเลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้จึงท่านสอนให้มองเห็นโทษของความโกรธ แล้วก็พยายามลดพยายามบรรเทาพยายามละวิธียายาละที่จริงทําได้หลายอย่างและอย่างที่ถือว่าง่ายมากเนี่ยคือไม่ใช่ง่ายมากคือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยได้แก่ความอดทนหรือว่าเมตตาเนี่ยอดทนเนี่ยไม่แน่นะแกลงได้แต่ว่าถ้าเมตตาแล้วเนี่ยมันจะมีพลังมันจะมีพลังในการขจัดโสะซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตใจหมายความว่ามันอาจจะเกิด แต่ว่าเราก็สลายมันได้ทำนองกระคายกันน้ำในสระที่มันใสะสะอาดเราเทของสกปรกลงไปเนี่ยมันก็เห็นนะฮะแต่ว่าเสร็จแล้วจะถูกสลายยิงน้ำไหลลี่์ห็ได้ชัดเจนนะว่าสิ่งสกปรกที่ตกลงไปในน้ำที่ใสบริสุทธิ์นั้นจะถูกทำลายคือจะถูกสลายไปโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญของ การมองเรื่องโพสังโยชน์เนี่ยคือมันเป็นพวกป่าหาต่ป่าธรรมคือพวกสมุทัยนะฮะแล้วก็ลองสังเกตจึงพวกนี้พวกเป็นพวกสมุทัยทั้งหมดท่านสอนให้มองเห็นโทษแล้วถ้าป้องกันได้ก็คือป้องกันเลยถ้าบำบัดได้คือบำบัดเลยแล้วพยายามมองให้เห็นโทษที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหลายปีมาแล้วนะมายัางเสียดายอยู่เลยคือเจอรูปรูปผู้หญิงคนหนึ่งนะก็ทะเลาะกับสามี แย่งลูกกันแล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยก็ถ่ายโคตรภาพมาเต็มที่เลยนะภาพสีด้วยเราไม่เคยเห็นคนโกรธอย่างนั้นเลยเส้นเอ็นนี่ขึ้นเต็มมือมือเนี่ยน่ากลัวมากเลยปาเนี่ยกะเหม็งแล้วก็ผมนี่มันฟูขึ้นเลยโอยคนโกรธอย่างนี้เหรออะไรก็ตัดอะไร แต่ไว้แล้วก็ไปนแนบไวในหนังสือแล้วก็เอาไปสอนลูกสาวที่สวศ ส, สีิทยาเนี่ยสอนนักเต่โน้นนักตะห้าร้อยสิบเอ็ดสอนอได้ตั้งสองสามปีนะฮะเอาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยหนูต้องฝึกใจตัวเองอย่าไปโกรธง่ายอย่าไปทําอะไรในลักษณะที่รุนแรงพอโกรธแล้วเนี่ยถ้าคุมใจไม่อยู่ก็วิ่งไปดูที่หน้าตาไอ้ที่หน้ากระจกฮะแล้วก็ดูซิว่าหน้าเราหรือหน้าคนอื่นเอ๊ะทําไมหน้าเราเป็นอย่างนั้น แล้วก็พยายามพยายามบรรเทาเพรา ะ, ะเราจะพบว่าคําสอนเนี่ยจะสอนทุกแนวแนวป้องกันแนวบําบัดแนวบํารุงแนวรักษาก็แล้วแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรและจะทําโดยวิธีใดได้เนี่ยก็จะสอนโดยวิธีนั้นเพรา ะ, ะความโกรธท่านจึงบอกว่าฆ่าความโกรธซะได้ยังไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธซะได้ยึงอยู่เป็นสุข พระเจ้าทั้งหลายนั้นสันเสริญการข้าวความโกรธซึ่งเหมือนก็อ้อยที่รากอายอดมันหวานนะฮะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมียาพิษอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่ขยายมาถึงโกรธน ะ, ะแต่ว่าจริงๆนี่เขาพูดแค่ปฏิฆาคือไม่เข้มข้นขนาดโกรธหรอก แต่ว่าปฏิฆานั้นเราจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือไม่ใช่เป็นภาษาพูดกันเท่าไหร่มันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นวิชาการสับแสงทางศาสนาทุกฟังเท่าไหร่ใต้หลวงปทิญญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหร่โดยทั่วกันสวัสดี